อนาปติวนันพิษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ819 1. พิกษุณีถวาย 2. พิจุณีให้คนอื่นถวาย 3. พิจุณีสั่งอนุภสมบันให้ปรนิบัติ 4. พิษุณีมิกลจริต 5. พิจุณีต้นบัญญัติสิขาบทที่6จบ